ต่างต่างสบายเปิดพัดลมออกร้อนเอียงไปวิีงมาทั้งวันวันนี้มาตอเ้เมื่อคืนสามทีุ่่มพักปาเน็ดวัดอนึ่งทั้งวันๆๆเพิ่งไปเยี่ยมพ้าป่วยมา อยุอันนัมันก็ไม่ได้เยอะแก่ขอหลวงพ่อดุนพี่สี่ห้าปีสี่ปีเป็นแนนมาด้วยกันตอนนี้ลำบากสังขารลำบากเราไปไปเอาธรรมะไปเยี่ยมท่านเยี่ยมท่านก็มันก็เยี่ยมตัวเอง <c oughs> ถ้าโอเนอยู่โกวันน้องมหาตัวเองมันก็ไปเยี่ยมตัวเองนึกถึงคำพูดสมัยพุทธกาลเวลาเจอกันคำพักไายสมัยพุทธกาลไม่ทราบว่าเราเคยได้ยินหรือเปล่า คนสมัยพุทธการเขาคุยกันเขาทำกันหมายถึงพระครบาอาจารย์แต่ถ้าเป็นบ้านเร า, าเจอหน้ากันก็ถามว่าสบายดีปะ่ะไม่ก็แล้วแต่ภาษาสวัส ด, ดีตอนเชา้าสวตอนบ่ายสวัส ด, ดีตอนเย็นวตอนเย็นทุนกวันไปแล้แต่ภาษาวัฒนธรรม ที่เรการต้กา ร, ร, การสื่อให้เห็นว่าสบายดีไหมถ้าไม่คิดอะไรมากที่เป็นครับทำทักทายธรรมดาเช่นไปใช้นักปฏิบัติหมายถึงฝ่ายธรรมะนี่ก็เกิดตอบ ว, ว่าสบายดีนี่เป็นอัตโนมัติถี้ไม่สบายยังไงก็ต้องตอบสบายดีไวก่อน แล้วก็จบแค่นั้นเราไม่ได้ถามต่อว่าสบายสบายจริงไหมดีจริงไหมสบายเรารู้หรือเปล่าว่าอะไรสบายกายมันสบายหรือใจมันสบายเพระนั้นกันปฏิบัติธรรมต้องการให้เห็นขอคู้นี้ เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พวเราเห็นเร็วรู้เร็วก็เกิดเร็วก็ดับเร็วเก็เข้าใจเร็วสมบสบายสบายกายสบายใจกลับมาที่คำโบราณที่ไม่สมัยพุทธกาลคนที่พระที่ท่านปฏิบัติแล้ว มันเหลือสิ่งเหล่านี้แล้วจิตคำต่างทายแต่ใช้ําภาษาบาลีเรายังไม่ต้องสนใจภาษาบาลีคนไม่ได้เรียนจะไม่เข้าใจแต่ใช้คำว่าสรีระยั่ตังจิตุจักกังดวะดวารังคมาในยังและก็ตามที่คนพูดว่าคน ค, คุณกแะคอ่อนกว่าคำอันอย่างอาวโุโสก็ออย่างพันตีมันเป็นคำใช้คาแทนตัวเองถูดกัผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่พูดไงผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยปมานี้แหละสรผู้ใหญ่พวดกับผู้นอกอาวโุโสแผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่่าพันตีในสนั้นถ้าแปลเป็นภาษาเราง่ายๆภาษาเรา สาสตไทยขเราเนี่ยสารีระยันตังแบบยนคือสารีระก็แสดงว่าท่านมองร่างกายของเราเป็นเครื่องจักรเป็นยนต์ชนิดหนึง่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไระว่ายนขบยนหรือยันตาที่เราใช้กับรถลาตั้งหลายเป็นเครื่องจักรเครื่องคนทั้งหลายเลยทุกวันที่เรามาใช้ต่อท้ายจักรยานยนรถยนอะไรก็ว่ากันไปอากาศยาน วันนี้ก็คือมาจากยันตังยันตาเนี่ยแหละคือยันมาได้ยันที่เป็นคิดเป็นตัวเลขตัวทําตัวอะไรเหมือนที่เราเข้าใจในวันนั้นสาริระก็คือตัวเราเนี่แหละตัวสังขารสาริระยันตังก็ใช้กับสาริระมันมีเจ่าวัฏสี่ขันห้าที่มีอยู่สาริระยันตังแล้วบอกว่าเจตุจักกังจกัก <c oughs> จักสีจักแปลว่าล้อเจตุว์แปลว่าสีล้อสี่อย่างทำให้หมุนอะไรหมุนก็คือสาระยันต์ต่างทำให้มันหมุนไปได้ในชีวิตประจำวันความหมายของท่านไอ้คำว่าหมุนในตอนนี้ท่านมุ่งคำอธิบายคำสี่อย่างก็คืออริบทั้งสีของเรานะั่นแหละ มีการยืนเดินนั่งก็นอนอันนี้คือจตุจกักรคือล้อที่เป็นวงกลมที่หมุนหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปในไอบทก็คือกิจ อ, อาการตายนั่นเอ ง, เองคือยันตั้งนี่แหลจะจตุจักกลางดวะนาะวะชวารังนาวเปรวะเก้าจะเป็นตัวเลขจะเป็นคุณนามเปรวาใหม่ ดว่าพอราคุณก็แปลว่าไม่แปลว่าอันนี้แปลว่าเก้าวดว่าดวารังก็คือทวารทวารแปลว่าประตูแปลว่าหน้าตา่างแปลว่าช่องก็ได้ซึ่งมีอยู่เก้าช่องก็ตัวเราด้ยแหละลองมานับดูมีช่องอะไรบ้างตาสองหูสองจมูกสอง 2, ปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาอันนี้คือช่องทางที่มันเข้ามันออกที่มันไหลเข้าไหลออกในเครื่องยนต์นั้นนิดคือร่างกายของตัวเราอันนี้คือภาพรวมภาพรว ม, รวมของคนเรานวะทวารคําถามก็นัคือข้ามอะไรยังพันเตข้ามอะไรย่างอาโสแปลว่า ยังพออดทนได้ไหมท่านพระเจ้าคำบอาทุกแชรว่าอดทนทนได้ไหมความหมายของท่านมันก็คือทุกเด้อแหละคือทนได้ไหม mm hmm. เพราะว่าทุกหนความหมายโดยสภาวะจริงๆแปลว่าถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วทนไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ เรียกว่าทุกข์คือทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ที่แต่านอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านอยู่เหนือสิง่งเหล่านี้แล้วก็แลปลว่าจากคือเครื่องยนต์ที่ท่านใช้อยู่เนี่้ถ้าท่านใช้อ e ีหมดทั้งสี่คือยืนเลยนั่นคือปฏิบัติพองเราได้จะเรียกว่ากายเว็นาจิตธรรมก็ได้เรื่องสติปัฏฐานสี่อล้วแต่จะเรียกปัฏฐานป ร, ป ร, ริยัติพอทนได้ไหม ั่นก็บอเขามัได้ยังพันเตงคันยาอโวโศพอทนได้ครับพออยู่ได้นี่คือขําวหมายว่าสบายดีไหมในสมัยเราสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําอย่างนี้นัน่นกับพราจิตของท่านมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วจิตที่อยู่เหนือสิ่งเหล่าก็อาศัยจักรศีนั่นแหละเป็นตัวแปรเป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดินเป็นตัวหมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตประจํยาวัน นีต่มาถามพวกเราจาักสีที่มันหมนทังวันทามห้หมนทุกความมีสติไหมที่มันยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกความมีสติตนนไหมบรรทอนทำไมสมอได้เราเรนั่งนั่งไปนานๆนนเดี๋ยวก็ทุกขามาละทุกขามาก็ทนไม่ได้ทุกขามา <c oughs> ทุกขามันก็คือเวทานาน อารมณ์ตนีเวทนาเวทนาคือตัวที่สองในกันห้าตัวแรกก็คือสาระยันตังคือรูปน่ยนั่นคือนามสาระอันตังแสดงต้องมีรูปตัวนี้ต่อไปก็คือนามคือเวทนาที่มันสเวเอรอารมณ์เวทนาเราถามว่าสบายดีไหมเราถามด้วยสุขาวเวทนาที่เป็นภาษาเราเนี่ย เราทำสบายดีไหมก็แปลว่าสุขเวทนาแต่ว่าเวทนาทั้งสามอย่างเราไม่ได้ถามหาเลยนอกจากสุขเวทนามันยังมีทุกขเวทนายังมีอุเบขาเวท น, นาเวทนาแปลว่าสเสวยสเสวยอะไรสะเสวยอารมณ์ที่จิตมันกระทบแต่ภาษาเราง่ายๆคือกระทบและเกิดความชอบที่ชอบเพ่อมันยินดี จึงเรียกว่าอารมณ์ราสินที่เรารับมารามาก็แปว่ายินดีง่ายๆคือรางสับเขาอารมณ์คือรับมามันยินดีมันยินดีมันก็สบายไม่ยินดีก็คือไม่ชอบหรือเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินไร้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอารมณ์เป็นกลางหรือ เ, คคเป็นข้าแปลว่าเพ่ง <C> e <ek> เคคราไปขัดแล้ว เ, เป็นแบบวางแต่เราเราวอกการวางเฉยซึ่งมันตอบไม่ได้วางเฉยวางอะไรมันถึงเฉยได้อที่ว่าวางเฉยนะวางอะไรอันนี้แค่เวทนานะที่อยู่ขตัวเราอยู่ในสิริรัตน์ยันต์ตังมนตนการภาวนาภาวนาจึงแปลว่าทำให้มีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นทำให้ เ, หเจริญ เข้าใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่าภาวนาไม่ได้แปลว่านัง่งหลับหูหลับตาเดินเดินนั่งนอนเรียกว่าภาวนาอันนั้นเป็นกิริยาหรือว่าอาการเฉยๆผงบอกอริยบทบอกอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าภาวนาก็หมายแต่ภาวนาแท้จริงลืมตาก็ภาวนาได้คือทําให้เจริญได้ทำให้เกิดปัญญาได้ก็เรียว่าภาวนาแต่ถ้าเราไปมุ่งที่ว่าภาวนาคือต้องหลับหูลบหลับต า, าเดินเดินนอนเท่านั้น เราก็ปิดโอกาสอย่างอื่นมาเลยการเข้าใจขงเราก็จะแคบลงปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นคำว่าเวทนาต้องม่งไปที่สามเรื่องเท่านั้นในฐามว่าสุขะทุกขะหรือว่าเฉยๆ <c oughs> อะไรก็ตัวแปรคือใจสุขใจก็แปลว่าความสุขมันอยู่ในใจ ทุกใจความสุขก็อยู่ในใจความทุกข์อยู่ในใจหรด้วยเฉยๆเผื่ออาทุกขะมะคือไม่สุขไม่ทุกข์คือมันวางอารมณ์ทุกข์เพราะนั้นอารมณ์ของไม่ป ร, ร, ริศนาอารมณ์พลิกเยาวางสิ่งเรานี้ได้มันต้องไม่อยู่กับสุขกับทุกข์ท่านยังบองกแกเป็นว่าสารระยันตังบองไปครึ่งจากขึ้นคนธรรมดานี่แหละนี่คือความหมายก็ว่าสา ร, ระยันต์ตัง คือก็คือสังขารรูปร่างของเราเนี่แหละอันนี้คือตัวที่สองเวทนาทีนี้ถ้าจิตถ้าเราไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงจิตไม่รู้จักจิตพอคือจิตมันยังยังเกาะยังถือยังยึดยังําสิ่งเหล่านี้ไวนะ้มันก็ยากทีเข้าใจสุดท้ายเราก็แยกไม่ออกอะไรที่เกิดความ กระทบแล้วมันผัดซ่าผัดซ่าคือมันกระทบเส้นเย็เนร้อนอ่อนแข็งกระทบแล้วเกิดรู้สึกคำว่าร้อนกระทบแล้วเกิดคำว่าเย็นนั่นคือปัจจัยภายนอกถ้าเรียกว่าปัจจัยภายนอกทําให้เกิดอย่างนั้นผัดซ่าทําให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกนั่นแหละเรียก่เวทนาภายนอกนะเวทนาจะเกิดจากภายนอกวภายในแล้วมันมีผลต่อใจได้อย่างไรทันลมเฉยๆมันก็คือลม ค, คือดินคือน้ำคือไฟคือลมแต่แล้วมนมีผลต่อใจอเราได้ยังไงไม่ครับว่ามีผลหมายคือว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกไม่หดัดไม่เคยปฏิบัติไม่เคยดูเราก็ไม่เข้าใจส่งนีน้มันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆการเกิดขึ้นมัเกียวตธนาสัญญา ก็เพราะว่าเกิดสัญญาคือจำว่าอันนี้คือร้อนอันนี้คือเย็นสัญญาเกิดจากอะไรจิตที่มันสมมุตินะสมมติว่าร้อนสมมติว่าเย็นก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบเรามาปฏิฆะกับเราอันนี้แค่ากายนะแต่มันปฏิฆะจิตหนักกอาไปอีกเกิดความเครื่องเครียดโสมนัสโทมนัส ก็สุขทุกข์นั่นแหละภาษาเราง่ายๆคือกระทบแล้วเกิดโสมนัสก็คือใจมันสบายมันชอบโทมนัสก็คือทุกข์นั่นแหละคือไม่สบายไม่ชอบแต่จิตมันไม่เข้าใจว่ามันไม่ชอบแล้วไงมันชอบแล้วไงจะอยู่จะบังกันไงแต่ถ้าเราไม่มีความรู้อ ว, วิชา อวิชชาคือไม่มีความรู้คือไม่รู้เรื่องเลยเช่นเราไม่รู้ว่าคณิตศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์คืออะไรพิเศษคืออะไรคณิตอังกฤษอะไรคนนี้เรียกว่าไม่มีความรู้เรื่ยงวิชานันะวิชาเขาก็มีอยู่ของเขาเองทั่วบ้านทั่วเมืองแต่เราไม่มีคือเราไม่รู้แต่มันคือนี่คือลักษณะของจิตที่มันอวิชชาคือไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในจิตเรียกว่าอวิชชา ไม่ได้แปลว่ามันไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรมันมีของเข้าอยู่แล้วว่าใข่ก็ใข่เอพีซีดีหนึงน่งแมีแต่เราไม่เรียนคือไม่ปริญาณสิ่งเหลน่นี้ไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่มีความเข้าใจเหมือนตัวตนของเราที่มีอยู่ทั้งหมดใจหงวจะหลดเท้าเท้าจะหลดหวนีน่นคือวัสดุอุปกรณ์ครือไมเครื่องมือเรื่องวัตถุดิบที่ตั้องจะมาศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจ ลกลไกของมันเรียวาสารเรียกย่นต์ตังว่าการทํางานของมันเป็นยังไงเราอยู่ด้วยกันมายี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบปีอยู่กับสารเะีย่ยันตังก็คือสังคารเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าตามาทําหน้าที่ของมันคือถาวรนั่นแหละคือประตูพอเปิดตาขึ้นมาเปิดประตูนั่นแหละเปิดเปิดตาขึ้มาก็เห็นหน้าที่ของเขานาะ ว่าเห็นเสร็จแล้วเป็นยังไงนาทีของไข่เห็นรูปตารูปต้องแ ย, ยกออกนะแต่ตัวที่เชื่อมระหว่างตากับรูปมันคืออะไรทำให้เราเข้าใจว่าตาให้รูปมันเกิดอะไรขึ้นหูที่อยู่กับตัวเราเนี่ยแหละกับเสียงที่มันอยู่ในโลกนี้แหละเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงมือหมา ก, กาไก ธรรมชาติของเขาจะเรียกว่าเสียงมันรับมาแล้วมันไม่ผลยังไงต่อเราเป็นต้นแค่สองเรื่องแค่น<ม>ี้แต่ทีนี้ถ้าพวกเราหลับตาคือปิดตามันตามันไม่เห็นรูป<ม>ถามว่าดีไหมมันไม่น่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยเราตามันไม่เห็นจริงอยู่แต่สัญญามันทำหน้าที่ของมัน ตาคือเห็นช้างต่อให้หลับยังไงพ็พูดถึงว่าช้างมันก็เข้าใจรู้ร่างหน้าตาเป็นยังไงมันไม่จำเป็นต้องเห็นตาไม่จำเป็นต้องเห็นช้างพ่ออะไรสัญญาสัญญาทำหน้าที่ประจําสังขารปรงต่อทันทีจบทัที่รู้ว่าช้างหน้าตาเป็นอย่งี้มีงว ง, ม, งมีฟันมีฟันแขนขาตาจมออกูกมันทําหน้าที่ของมันแค่นั้นอืม นี้คือการทำหน้าที่ของกันห้า 5, คือสเสลยันตังเรามีอยู่นี่นี่เป็นการเรียนรู้แต่ละตัวแต่ละเรื่อ ง, เ ร, องเรียนให้มันจบรูปวิถีาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราก็จะเข้าใจผิดถูกถูกว่าวิญญาณคืออะไรเราก็จะปีศาจด่างไม้เข้าใจว่าออกจากร่างและจิตเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณพราะวิญญาณแม่ว่ากันไปกลายเป็น เกิดความกลัวขึ้นมากลัววิญญาณเช่นพ่อแม่ตาแล้วไ ป, ไปกลัวพ่อแม่โดยที่ไม่มีเหตุ ม, มีผลอธิบายไม่ได้อยู่ด้ยวยกันมาห้าสิหกสิบปีทําไมไม่กลัวพอหมดลมแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาหมายเพราะอะไรเราเคยหาคําตอบไหมกับพ่อเราแท้ๆมัเราแท้ๆปู่ย่าตายายหมดแท้ๆแต่ว่า พอหมดลมแล้วจิตออกจากรลังมันเกิดความกลัวทั้งที่มีอะไรน่า ก, กลัวมันก็เน่าเหม็นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยครับหรือเราไม่เข้าใจสาระร อ, อย่างต่างคือสังขารของเขาตัวเอไม่เข้าใจว่ามันคือรูปอันนี้คือน้ําเขาไม่เข้าใจคำ ว, ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยอยู่ในใจเราเลยจึงไม่เข้าใจไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการศึกษา น, นั้นกลับมาที่เดิมที่ท่านถามในสมัยกับพระเจอกันทักฐานาอย่างนี้ก็เพราะว่าสภาวะจิตของท่านอยู่เหนือหลรอนันไม่มีสุขก็มีทุกข์มีใจทักเข้าใ จ, จทันทีว่านี้แค่เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งเหมือนเราเห็นมองเห็นรถอันนี้คือรถนะส่วนยี่ห้อก็แล้วแต่ชื่อสมมุติเหมือนคนนายดำนายแดงนายขาวใส่ลงไปตามชื่อก็แล้วแต่จะใส่ รถก็เหมือนกันเอาใส่ชื่อลงไปใส่ย่อห้อลงไปแต่รถก็คือรถบางอย่านั่นคือรถนะอันนี้นคือสารเลือยันต์ต่างอันนี้นคือร่างกายสังขาร น, นะรถมันวิ่งได้ยังไงมันเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรมันทำหน้าที่อย่างไรเหมือนกับคนรถมันต้องมีคนขับเคลื่อนมันที่จะวิ่งไปข้างหน้าได้ แต่ตัวเราไม่ต้องมีอะไรมาขัดขืนมันไปข้างหน้าข้างหลังได้ทันทีก็คือความคิดของตัวเรานี่แหละมันขับเคลื่อนไปข้างหลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอันนี้คือการทันที่มันเคยสร้อยยันตังการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่นี้ไอ้ตัวขับเคลื่อนเนี่ยความต่อเนื่องของมันระบบหรือ ก, กลไกของมันเริ่มต้นยังไงเหมือนเราขับรถเริ่มต้น พอเราก็แช่คขามารับว่าฝลังรู้จะเรียกว่ายังไงพาเหยียบปุ๊บสตาร์ทปุ๊บเราสตาร์ทเข้าใจทันทีแล้วสตาร์ทมันคืออะไรเราจะเข้าใจทันทีมันจะอธิบายว่ามันสตาร์ทมันคืออะไรภาษาไหนก็เข้าใจกันตรงกันพอสตาร์ทเสร็จแล้วก็ขันเร่งก็เหยียบเมื่อเร่งมันก็ต้องไปกันหน้าพุ่งไปกันหน้าแต่ให้มันหยุดก็คือเบรกก็เข้าใจทันที นี่คือสภาพว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้แต่ปัญหาเกิไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก่อนที่รถมันจะวิ่งไปข้างหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าเริ่มต้นยังไงคือจุดเริ่มต้นจุดเดินคือจุดวิ่งวิ่งเร็ววิ่งช้ามันก็มีเกียร์หนึ่งสองสามสี่ด่าถอยหลัง นี้เรามาดูว่าถ้าในขณะที่จิตจิตมันวิ่งวิ่งวิ่งวิวิจิตมันวิ่งต้องบอกว่าจิตมันวิ่งวัวเามันวิ่งไปจิตมันเร็วแต่ว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยสภาพของเร็วของจิตกับสภาพของเร็วของรถมันเทียบกันไม่ได้ท่วนจิตเราก็วิ่งวิ่งเร็วมากพม่ใชเร็วธรรมดาเรานึกถึงสภาพการวิ่งของรถ เราจะว hmm. ิ่งเร็วหร Orleans ือวิ่งช้าถ้าวิ่งเร็วในชัดเจนที่สุดรอบตัวรอบข้างของเราถ้าเป็นทางตรงสิ่งรอบตัวรอบข้างเช่นต้นไม้เราก็เห็นเหมือต้นไม้มันวิ่งวิ่งวจริงต้นไม้มันวิ่งไหมมันจะวิ่งพอเราหยุดเราก็เห็นต้นไม้มันจริงๆมันไม่ได้วิ่งเลยใจเราเหมือนกันเลยถ้าใจไม่นิ่งใจไม่หยุด ใจมันฟุ้งซ่านเมื่อไร่คือใจไม่อยู่กับตัวนั่นแหละแปลว่าเราจะไม่เห็นตัวเราคือไม่เห็นตัวเองซึ่งธรรมชาติโดยปกติแล้วเปิดเปือกตาขึ้นมามันไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติลืมตาขึ้นมาเพิ่นแทนที่จะเห็นตัวเองเปล่าเห็นแต่ข้างนอกจิตมันก็อยู่กับคว้างนอกตลอดเวลา ไปฝากชีวิตไว้กับคนนอกเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นแล้วชอบเห็นนั่นไม่ชอบเห็นแล้วเฉยเฉยอยู่อย่างนี้ทั้งวันพเพราจิตมันไม่เคยสงบจิตมันไม่เคยนิ่งมันจึงไม่มีกําลัง <Okay. S 2> ก็คือไม่มีสมาธิเองเพราะนั้ น, เ, น, น, นเริ่มต้นของเราตัวคำว่าสาตาร์คือจุดต้นของชีวิตจริงๆท่านก็เริ่มต้นที่ศิน่นี้เลยถ้าชีวิตเรา ขาดตกบกพร่องเรื่องสินไม่ครบอันนี้ทางปฏิยัติคือไม่ครบห้าข้อแต่ในทางปฏิบัติแค่ไกลกับบาจากันนั้นแหละเหมือนตอนนี้ไม่ต้องกังวลว่าวันนี้มีสินเขาหรือไม่ครบว่ามือเช้าสมบัติหรือไม่สมบัติไม่ต้องไปกังวลใครจะมาแต่หลังเพิ่งมาถึงวันนี้ตอนเย็นตอนนี้เป็นสิลทันทีในทางปฏิบัตินะไม่ต้องไปกังวลว่าน้ำมันนี้เร็วสินห้าเร็วสินแปดไม่มี เรีว่าสิสสสองร้อยเจ็ดไม่มีไม่ต้งไปที่ิกงังวลไม่ต้องไปปริโพดของพวกนี้เนี่ยนี่คือข้อดีเรียกว่าอานิสงส์กันนั่งสมาธิขาบอกนั่งสมาธิเราไม่ได้อะไรไม่ใช่นะมันเป็นศินเป็นศินแปลว่าอะไรเป็นศินคือเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นแค่คนนะถ้าสินไม่ครอบไปได้แค่คนครอบมั่งไม่ครอบมั่งนี่คือคน คือคนทัท่วไปคนคือร่ากาป น, น, นเปยกันไปแต่ศิลไม่มีสักตัวเลยสมมติศิลรักษามไม่ได้สักคนไม่รักษาเลยเป็นคนไม่ได้นะ่ะหนักกว่าคนนะ่ะคืออะไรหมูหม า, าไก่มูเห็ดเป็ดไก่จางมาวัวควายนะอันนั้นคือเป็นคนไม่ได้นะั่ น, นันมาจีกจิตนะไม่ใช่ร่างกายนะจิตในขนาดนั้นนะมันเป็นคนยังมระทายเพราะ มันรักษาศีลไม่ได้สัตว์รักษาศีลไม่ได้นั่นคือความหมายที่ว่ามันเป็นคนไม่ได้แต่เรายังมีโอกาส น, นะตอนเนี้เป็นไม่ใช่เป็นคนเป็นมนุษย์ตอนนี้ศีลเราครบแล้วกายวาจาสงบครบนี่คือมนุษย์มันยกระดับขึ้นมาทันทีนะยกสภาพของเราขึ้นมาทันทีความมนุษย์เสร็จกันนี่นคือศีลคือพื้นฐานเอาเราิ่มต้นแล้วนะคือสตาร์ทแล้วตอนนี้ ค็อดูสินนี่แหละต่อไปจะวิ่งแล้วนะเ mm hmm. บีย์คุณจะสตาร์ทเสร็จมาก็จะขับเขึ้นไปเรื่อยๆนะวิ่งเร็วช้าแล้วแต่สมาธิความนิ่งของเราแล้วแต่ทางตรงทางคดเคียวทางคดเคียวจะวิ่งเร็วก็ไม่ได้อันตรายทางตรงถอยวิ่งอย่างนี้ก็เลยก็เป็นสมาธิใจมากของสมาธิม น, ม, นมันนิ่ง มันจะเหตุตัวเองเห็นตัวเองคืออะไรเห็นใจเห็นยังไงสภาวะตอนนี้มันสับสนวุ่นวายมันสุขมันทุกข์มันเฉยเฉยเพราะฉนั้นตัวใจกับตัวที่ตัวเห็นก็คือตัวผู้รู้กับตัวที่ถูกรู้ที่คืออธิบายอยู่เสมอว่าระหว่างตัวรู้กับรู้ตัวมันคนละเรื่องเนี่ยเราฝึกเราซ้อมอย่างนี้ก่อนฝึกเพื่อให้เรา รู้ตัวคือรู้ตัวเองว่าทําอะไรอะไรที่มาปัสสาวะอะไรที่มากระทบปัสสาะแล้วมันเป็นยังไงนั่นคือการรู้ตัวคือเราดึกนึกคืนไม่ได้เราตัวสติจนปล่อยจนมันนิ่งอยู่กับอารมณ์อย่างนั้นไม่วันไหวไม่วอกแวกไปวันไหวตามสัญญาอารมณ์มันนิ่งอยู่เฉยมันจะกลายเป็นจากรู้ตัวกลายเป็นตัวรู้นั่นแหะเกี่ยวกัโธ รูปโทนหน้าตาเป็นอย่างนั้นมันรู้ว่าถ้าสุขเข้าไปอยู่ก็เอในสุขใจทุกข์เข้าไปอยู่ในทุกข์ใจนมันรู้แล้วว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์แล้วมันก็วางได้คือวางทั้งสุขวางตั้งทุกข์คือจิตมันไม่สุขมันไม่ทุกข์สภาว่าจิตจริงๆมันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์เพราะว่าสุขไปอยู่ในใจมันจึงเรียกว่าสุขใจเพราะว่าทุกข์เข้าไปอยู่ในใจมันเรียกว่าทุกข์ใจแต่เราไม่รู้คือไม่มีผู้รู้ ก็คือไม่มีพุทธโธนั่นแหละไม่รู้จะเรียกว่าอะไรพระพุทธโธไม่ได้เป็นนามนไม่ใช่นาของพุทธเจ้าไม่รู้จะเรียกอะไรอธิบายคำว่าพุทธโธได้ผมใช้คํามา น, นี้เหมือนเราคนเรานอนเรานอนแล้ว ม, ม, มันมีพุทธโธคือมันไม่รู้ตัวพอตื่นขึ้นมานั่นแหละคือคาว่าพุทโธพอตื่นขึ้นมาคือจะรู้หมดเย็นด้านอ่อนแข็งเวทนาสุขทุกข์รับรู้ตลายแก่ กายมันรับรู้นะพลังโทโทจิตเป็นอย่างกันเหมือนกันหมดจิตมันเป็นพุทโธมันก็จะรู้เมื่อมันรู้มันจะเข้าใจเมื่อรู้เสร็จมันจะอยู่กับใครจะอยู่กับสุขหรืออยู่กับทุกข์ก็แล้วแต่ความฉลาดถ้าจิตมันฉลาดมันจะไปอยู่กับทุกข์ทำไมเมื่อจิตมันไม่ฉลาดมันคืออกุศลคือไม่ฉลาดนี่คือกุศลกับอกุศลหน้าตานเป็นอย่างนี้เพราะจิตไม่ฉลาด เมื่อจิตมันไม่ฉลาดคิดกอ็ออกในทางไม่ฉลาดพูดออกไปก็เรื่องไม่ฉลาดการการะทําลงไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเรียกว่าผู้สนหน้าตาเป็นอย่างนี้มาจากส ร, ร้ยะติตังคือสังขารรางกายของตัวเรานีแต่เราไม่เข้าใจนี่คือตัวสมาธินะนี่คืออานิสงส์แท้จริงเมือ่มมอสมาธิมนะีกําลังมีกําลังพอสมาธิในระดับหนึ่งคือมันสงบบ้างไม่สงบบ้าง อุเบกขาสมาธิอแต่มันรู้ตัวสมาธิเป็นอะไรคืออัปปนาคือมันลึกเหมือนคนนอนหลับอันนี้จะไม่รู้ไม่รู้ข้างนอกมาเพระ่างกายสังขารเนี่ยมันจะไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งคนตกฟ้าร้องดินทล่มล ม, มันก็ไม่รู้จิตมันเขาเ้าไปลึกจิตกระเพื่อมีสมาธิมันคงหนักแน่นเป็นอารมณ์ของชาน ฌานเกิดจากอะไรจะกิดจากกเพ่งชานแปลาว่าการเพ่งกานเพ่งอยู่กับอารมณ์เด่นคือมันไม่ยึดหลายอารมณ์ขึ้นมีอารมณ์เดียวพูดง่ายๆอย่างนี้เหมือนเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้คุยกับใครอยู่กันเป็นร้อยคนแต่เราไม่คุยกับใครเลยอยู่กับตัวเองแต่ถ้าอยู่กับร้อยคนคพูดกับนั้นทีพูดกับนั้นทีนั้นคือจิตไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตสงบไปสงบไปยังไงก็ลองมานั่งอยู่นั่นทงทากลางเพื่อน นั่งเดเราเราเราไม่พูดเราไม่แชรความคิดแล้ลองฟังดูว่าเป็นยังไงรอบตัวรอบข้างสารพัดในณะเดียวกัถ้าเรานั่งอยู่นี่เฉย อ, อา่านเรื่องความคิดของเราเริ่มมาสารพัดความคิดกับปรุงคนแต่งนั่นก็เรื่อสังขารมันรื้อเขียวสูขิด น, นึกคิดปรุงแต่งวนไปเวียนมาอยู่นีะอดีตปัจจุบันอนาคตสุขทุกคนนั้นคนนี้คนน้อนไม่มีที่สิ้นสุดคือความคิดของตัวเองนั่นเอง เนี่ยเขาเรียกว่าฟาุ้งซ่านใจไม่สงบอันนี้พูดถึงสมาธิแล้วเนะข้าสมาธิแต่นี้ถ้าเราเข้าใจคือจิตมันเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้อานิสงส์เป็นอย่างนี้ประโยชน์เป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เองขับเคลื่อนไปไหนไม่ได้นะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิรถมราวิ่งต่อไม่ได้คนก็เหมือนกันเสร็จแล้วมันเกิดปัญญาวิ่งมั่งหยุดมั่ง ทีนี้ทำยังไงก็คือทำมันวิ่งเร็วก็ได้วิ่งช้าก็ได้แั้งมื่หยุดก็ได้นั่นคือปัญญาก็ที่มีปัญญาเป็นอย่างนั้นตอนไหนควรจะใช้ปัญญาตอนไหนควรจะวิ่งเร็วควรจะวิ่งชา้านั่นคือปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดเราจะเข้าใจสภาวะที่มันอยู่ในใจเราที่มันมันเนิ่นนานโดยที่เราไม่มีความรู้ไม่มีวิสัยไมเข้าใจ กลไกการทํา ง, งานของมันเป็นอย่างนี้กลไกทํางานของสาระยะันต์ตังคือยนต์คือสาระนี่มันเป็นอย่างนี้มันกำลังมาย่น ย, นย่อลงเหลือห้าตัวหรือสองตัวหรือห้าตัวก็คือรูปเวทนาญาติกันยา น, ารยานหรือสองตัวคือรูปกับน้ํามันไม่ได้เยอะอย่างที่เราเรียนหนังสือเลยเราเรียนหนังสือจนจําไม่หวาดไม่ไหว ส, วสูตรแต่ละสูตร ก็เยอะมาใช่แต่นี่ไม่ได้เยอะเลยเลยไม่ได้เยอะเลยแล้วทำไมเราเรียนรู้ไม่ได้ทำไมเราไม่มีความเข้าใจเลยอยู่กับเรามานานห้าสิบสิบปีแล้วทำไมเราไม่มีความรู้พวกนี้เลยแปลกไหมแต่เรื่องอื่นรู้เรื่องหมดยุโรปอเมริกาเปยังไงเราตาเลยอธิบายได้หมดประวัติศาสตร์แต่ตัวเราอธิบายไม่ได้ ทำไมมันกระทบแล้วเกิดความชอบเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดยินดีไม่ยินดีทําไมเพราะอะไรมันเกิดแล้วมันไม่ดับความโกรธเกิดไม่พอใจเกิดมันไม่ดับเพราะอะไรมันก็มีสามชื่อแค่นั้นเละก็คื อ, คอกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใ จ, อใจยินดีไม่ยินดีก็เกิดจากความอยากที่เรามีอยู่ ตามความอยากอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นฮ ะ, ะนี่คือต้นต่ตอต้นต่อของปัญหาของชีวิตเราเป็ยกขึ้นมาพิจารณาว่าวาอันนี้คือต้นต่อ น, นะต้นต่อคือเหตนะุเหตุมันเป็นอย่างนี้แล้วผลเข้ามันเป็นยังไงอยากได้แล้วมันมันไม่ได้เป็นยังไงอยากมีมันไม่มีเป็นยังไงอยากเป็นแล้วมันไม่เป็นเป็น นอ yes ืน่นติดต่อที่พระเจ้าบอกว่าเหตุแห่งทุกข wow. ์ทุกข uh> ์มันคือผลผลจากตัวนี้แะเพราะนั <S <S ้นคำแรกพระเจ้าโอ้คือทุกข์เพราะนั้นสื้ามันสบายดีไหมก็น่าจะได้คําตอบแล้วพระเจ้าบอกมันมันมีอะไรสบายถ้าเป็นภาษาเราง่ายงคือสบายมากสบายน้อยเดือทุกข์มากทุกข์น้อย อะที่ไม่ทุกเลยไม่มีคิยว่าจะทุกทำยังไงที่ให้เราทุกน้อยลงเอาอยู่เป็นเบื้องต้นก่อนแต่อย่าไปปรารถนาไม่อยากให้มันมีทุกเลยมันเป็นไปไม่ได้อาใจะแค่ปรารถนาเพราะทุกคําเดียวนพุทธเจ้าใช้คําว่าให้เรากําหนดหรู้ท่านไม่ได้ให้เราละมันละไม่ได้เย็่งนอกกง้ออาแข็งจีบโลกเนี่ยเราทําให้มันหายไปได้ไหมมันไม่ได้ พระอาทิตย์ประจนมามันเกิดมันดับมันไม่ได้หน้าที่เราคือ ร, รู้ว่าตอนนี้พระาทิตย์เกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปนี่แค่นี้นี่อารมณ์เวทนาเป็นอย่างนี้ทุกอารมณ์ของชีวิตเราไดขึ้นแนวความคิดที่พระเจ้าคิดได้แล้วก็บอกอเราทั้งพระอาทิตประเจน์ลักษณะมันเป็นอย่างนี้คือเช้าๆมันก็ปรากฏเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันมก็ตั้งอยู่ในท่ากลางแล้วก็ดับไปก็มลงเดี๋ยวมันก็มาอี แต่มันใช้เวลาสิบสองชั่วโม ง, งกว่าจะรู้ว่ามันขึ้นแล้วมันลงและจิตของเราเวลามันเกิดขึ้นเรารู้มันใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะรู้เกิดแล้วก็ดับของจิตถ้าคนไม่ปฏิบัติไม่รู้ยิ่งไม่รู้จากการเกิดการดับเลยยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นท่านบอกว่า ถ้าอยู่จิตท่านอยู่เหนือสิ่งนี้ท่านรู้ท่านเห็นการเกิดของมันเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วมากระทบปฏิฆะแล้วก็ดับเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับเมื่อการเกิดการดับเร็วขึ้นจบขึ้นสังขารคือการปรุงแต่งเกิดขึ้นระดับเกิดขึ้นระดับท่านที่เพราะฉะนั้นวัดตาของท่านกันวนที่จะระบบความคิดีจะวนเรื่องเดิมๆรื่องนไม่มีเพราะมาก เพราะกดตัวเพราขารู้ตัวแล้วว่าหน้าตาเป็นแคเรื่องนี้มันจบทันทีมันไม่ต่อมันไม่ยาวมันจึงไม่มีวัตถนะุสังสาระคือจุนเวียนอยู่ในสองสารอันนี้มันมีทุกวันนี้สังสาระวัตถที่เราเห็นชัดที่สุดคือความคิดของตัวเองนี่แหละถามว่าในขณะที่เราคิดคิดเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยคิดยังไม่จบเรไปเรื่องอื่น หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีไม่รู้กี่เรื่องแล้วจบไม่ลงสักเรื่องแล้วก็จำไม่ได้มาเรื่องอะไรบ้างน่คือลักษณะของการกนวนมาเรว่องวัวดปด่าถ้าแล้วก็วนอยู่เนี่เพราะงั้นการเวียนวไายตายเกิดเราจึงกลับมาเวียนไายตายเกิดก็คือมาเกิดมาเก่มาเจ็บมาตาย เพราะว่าเราไม่สามารถจะจัดการระบบความคิดของตัวเองไม่รู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของมันมรูปรกายสังขารโดยเฉพาะคือการปรงแต่งการเกิดขึ้นของสุขการเกิดขึ้นของทุกจริงเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราตลอดเวลามันไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นไม่รู้จะเอาคำอะไรอธิบายคำว่าดับใช้คำว่านิพานะแปลว่าดับ ดับโดยไม่เหลือคือดับโดยสิเชิงคือดับได้ตลอดการกับดับได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่นี่คือว่า<ม>นิพพานไม่ได้ไปเป็นรูปเป็นรางเป็นบ้านเป็นเมืองตอนเนี้ถ้าเราสามารถดั บ, บคิดนึกคิดปรุงแต่งเราไม่จบไม่ได้ก็คือนิพพานะนั่นแหละเพราะฉะนั้นในหนึ่งว่านิพพานแปลว่าดับนี่อีกนนหนึ่งแปลว่าเยน็นจากจิต จากกายว่าจาใจเราร้อนรุ่มร้อนโดนมันเผาดูตลอดเวลามันไม่เคยเดียนเลยมันก็จะเย็ยนลงคือมันดับเมื่อมันเย็ยนก็ไม่ไม่สามารถที่จะอะไรมาทำให้มันร้อนลงไปได้ท่านเข้าใจสภาวะอย่างนี้ทั้งสภาวะที่เป็นเรื่องของกายกินเย็ยนของกายและเกินเย็ยนของจิตมันก็จะแยกออกทันที เพราะนั้นเมื่อมีเวลามีความสุขากระทบปฏิคะหรือมีผลท่านก็จะแยกออกโอทุกนี้มปนทุกข์ของกายเขาแก้ที่กายทุกนี้เปทุกข์ของจิตก็ต้องแก้ที่จิตนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็ได้ใจวุ่นวาทุกทุกทุกทุกทุกเหลือเกินทุกได้ทำเป็นทุกข์ยากลําบากทนไม่ได้อยู่ไม่ได้สุดท้ายถึงเครียดก็จะฆ่าตัวตายถามว่าฆ่าตัวตายมันพ้นไหม ก็แค่เครื่องยนต์มันดับอ่ะถ้าเป็นรถรถบันดาบอ่ะแค่นั้นเองค่าตัวตายก็คือทำาให้ตัวเองให้จิตออกจากร่างหมดลมหายใจเ่าจะโดยวิธีไหนก็ได้จิตผู้คอตายคือให้หมดลมไม่สามารถทีใช้ลมหายใจได้ขั้นั้นาเองความหมายแล้วอะไรมันตายตรเนี้เราเข้าใจว่าผูกคอแล้วก็จะตายถามาอะไรตาย กายหรือจิตะมันก็ฆ่าแต่กายแต่จิตมันไม่เคยตายไปต่อได้ไยังไงทนทุกมันอยู่ที่จิตนะมันไม่อยู่ที่กายนะมันจะแก้ยงไงว่าทุกตามจิตไปเรื่อยเพราะเราไม่รู้จักการเกินนดการดับของมันคือวางไม่ได้วางสุกไม่ได้วางทุกข์ไม่ได้วางบุญไม่ไ ด, วไได้วางบาปไม่ได้ ขอมีสังขารกันปงแต่งอยู่รูปหยาบได้ดับแต่รูปละเอียดยังอยู่เรียลวอารูปทมีรูปหยาบวันนี้มันดับแต่อรูปแต่มันอยู่อยู่มาก็ว่าจิตมันยังถือมันยังเกาะอยู่มันมีที่ตั้งอยู่มันก็จิตที่มันที่มันจิตมันทิ้งไปนั่นแหละตัวนั้นที่พาไปจิตละเอียดนั่นแหละมันจะพาเราไปพาไปไหน ก็แล้วแต่ในบุญกัได้บาปอะไรนี่แล้วเต็กกุศลกับกุศลฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่คนฉลาดมันคงพาตัวเองไปเต็กคุกมั้งต่วคนไม่ฉลาดก็พาตัวเองต็ดคุกเต็กคุกคืออะไรเต็กคุกก็กลับมาวัฏตานี่แหละเพราะนั้นวัฏตาสงสานะจึงเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีคุกไหนที่ใหญ่กว่านี้อีกแล้ว คุกเป็นที่ขังของสรรพสัตว์ทั้งหลายคุกตายที่เราเข้าใจเป็นที่ขังว่าจิตวิญญาณที่ทําไม่ดีประตายอะไรก็ต้องไปติดคุก น, นี้ไม่ต้องตายไปแล้วมาติดคุกกันนี้แนหะคือว่าตายสูงสารนั่นแหละคนที่ติดคุกทําไงที่จะพ้นอะวังได้ทำตัวดีเป็นนักโทษชั้นดีก็ะจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษ ติดคุกห้าปีสิบปีก็จะเหลือสองปีลดครึ่งหนึ่งสิบปีเหลือห้าปีเหลือไม่แค่สองสปีก็พ้นออกมาแล้วคือออกข้างนอกแล้วคือไม่ติดคุกแล้วอีกเนี่ยจิตข้าเราก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันนะถ้ากลับมาอีกอะไรทําให้คนติดคกุกคนที่ติดคุกก็คือคนที่ขาดสินห้า เพราะนั้นถ้าใครกลับมาทีพื้นฐานดีนี่สิลปห้าต้องพร้อมนะนี่คือพื้นฐานนะผู้เรากลับมาในพร้อมหมดหมายว่าแขนสองข้างหูตาจมูกพรบหมดแต่คนอีกเพศหนึ่งกลับมาแล้วไม่ครบเหมือนพวกเรามีเยอะมาแขนข้างเดียวก็มีเห็นไหมทำหาเหตุหาผลได้ไหมมาหรือตาข้างเดียวก็มีเห็นไหม มีแต่ตาเฉยดูไม่ได้เลยก็มีมีแต่ปากเฉยพูดไม่ได้ก็มีเพราะอะไรสินหา้าเราโชคดีเพราะนั้นถ้าจะออกแกวตตาสงสญญารอะไรได้ก็คือสินห้าเป็นพื้นฐานเนี่ยนะถ้าจะออกจากคุกนะออกจากคุกอันนี้สินห้าเสร็จแล้วก็คือต่อไปคือพารั ต, รตนัตใจต้องยึดมั่นต้องมั่นคงในพราตะนัยเป็นอย่างยิ่งคือเอาชีวิตเป็นตีตัง แล้วคนที่ยัใจิตใจมันคงคือเลือกหลักประกันว่าจะไม่มาเกิดเบียดบ้ายตายเกิดอะนรนี่คือหนึ่งศักระยะทิฏฐิเข้าใจตัวเราเรียนรู้ตัวเองสังขารร่างกายตัวเราสักระยะ ต, ตัวตนนั่นคืออัตตาน้นวระบบการทางานของมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงศักระยะทิฏฐิแล้วเอาบุคคลตัวอย่างไปที่ตั้งคือปรัชญาใจ จิตของผู้นี้พระอตอะ ย, ยึดมั่นเทะอะไรเป็นที่ตั้งเอาชีวิตไปเดิมพันข า, าเป็นที่ตั้งเอาชีวิต น, นี่ก็สกติวิจิตกิจฉาลังเลสงสัยนั่นนี่นน้บุญบาปพระโกสวรรค์ได้ผ่านไม่มีพราะเข้าใจด้วยตนเองแล้วว่าจิตเนี่ยถ้ายังเป็นสศกคุณทุกอยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าจิตปราจากสุขทุกคือเหนือคือมันลอยอย่เ ส, สียงไรจะเข้าใจความลังเลจะเข า, ขางเขสงสัยจะมีม การที่ยึดถือพีผิดทุกๆูกทำเนียงแบบประเพณีปฏิบัติแต่เคยทำาทํมมาเช่นศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมพิธีเกินอะไรแหละมันไม่มีจิตมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วอันนี้คือบันไดขั้นแรก เ, นะเป็นบันไดขั้นแรกที่ผู้เราแสวงหาโอ้ยหามันไม่ใช่ก่อน ง, ง่ายนะกรทีมีพื้นฐานตรงนี้ไม่ใช่ก่อน ง, ง่ายดูเหมือนกีี คนที่ไปขึ้นอยู่ระดับกลางระดับสูงระดับยอดน้อยต้องบอกว่าน้อยมากคนที่อยู่บนฐานล่างสุเยอะมากแต่คนที่อยู่นอกฐานนี่เลยยิ่งหนักกว่าเกาอีกมันจะดีจึงเป็ น, เ ป, นเป็นสนาธรรมลองถามว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนของเจดีหรือไม่อยู่ช่วงไหนของเจดีเลยลำบากก็คือไปเป็นสิงสาราษฎร์หมายถึงใจอันนี้เราโม่งปฏิใจไม่เกี่ยวกับกายะ แต่ใดก็ตั้งจิตของเราต่อให้เป็นคนตัวเรื่องคนมนุษย์ก็ตามจิตไม่มีพื้นฐานใดๆเล ย, เลยคือศีลก็ไม่มีทำไม่ต้องไปพูดถึงเพราะฉะนั้นศีลกับธรรมต่างแ ย, ยกกันนะเราศิลกับธรรมแต่มันคู่กันมัไปด้วยกันได้อันนี้คือบรารัยขั้นแรกบรารัยขั้นที่สองไม่ต้องเป็นห่วงหนึ่งสองศีล ม, มันก็ไปตามขั้นตอนของเขาต่ามเราดัง การที่เราฝึกอย่างหนักทุกวันนะเพื่อเราเหยียบบันไดขั้นแรกให้ได้ให้มัน่นคงก่อนอย่าไปสไปสไปสปาย่าไปท้อถอ ย, ถอยต้องมั่นคงในจิตใจโดยเพ้องยืมสาระยันต์ต้องเข้าใจสภาวะของตัวเองแท้จริงว่าโอนี่กายนะอันนี้คือจิตนะ น, นี่คือรูปนะอั น, นี่คือน้ำอันนี้ให้ชัดเจนนะมันกระทบให้รู้ทันทีเลยว่านี่คื อ, เ ร, อเรื่องของรูปนะ ไปเรื่องของกายนะ น, นี่เป็นเรื่องของใจนะเอาอย่างนี้ก่อนนะเบื้องต้นขึ้นในชีวิตปัจจุบันเหมือนกับเรามองเห็นว่าอันนี้คนอื่นนะนี่เรานะเห็นไหมให้เจตบันรู้อย่างนี้ทันทีเลยทุวนนี้แม้แต่เรื่องคน อ, อื่นก็เอาเป็นเรื่องของตัวเองมาแบกทุกคนอื่น่ะกลายเป็นทุกของตัวเองไปเห็นไหมมาแบกความคิดคำพูดการกระทําของคนอื่นเอาเป็นของตัวเองเห็นไหม แล้วบอกทําไมมันทุกข์เหลือเกินทุกตัวเองกันพออยู่แล้วแต่ไม่ปล่อยไม่วางไปแบกความทุกข์อื่นเพราะไม่เข้าใจเพราะมันแยกไม่ออกว่านั่นเขานั่เราคนละเรื่องคนละคนเอาตัวเองก่อนถ้าเข้าใจอย่างนี้คือเบื้องต้นละเห็นคนนั้นคนนี้คนน้นเป็นเรื่องของเขาทั้งนั้นไม่เกี่ยอะไรกับเราเลยเขาดีเขาชั่วเขาจนเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยจบแค่นี้ นี่นคือเรานะนั่นคือเขานะแต่ทีนี้คนที่จะไปข้างหน้าด้านนี่มันจะต้องวางได้ทั้งเขาและเราจะต้องไม่มีในใจของเรามันจะต้องวางสิ่งหล่านี้ได้ถ้าวางสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะถ้าไม่ติดเขาก็ยังมีเราอยู่สถาการณ์ของเราหูา้โหเราแขนขาตาอยู่ของเราหมดกลายเป็นเราเป็นเจ้าของทา ง, งทั้ง์ที่มันไม่ใช่ทำจิตของเราต้องไม่มีเจ้าของ ต้องอยู่เฉยๆเหมือนตัวตนของเราตอนนี้ลองไม่มีชื่อเราไ ม, ม่มีตัวมีตนเรียกว่านักตาเราทำตัวตอนนั้นมันหายไปจากโลกนี้จิตสภาวะจิตที่แบบอุปท า, านะอุปท า, านกันี่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าจิตไม่มีกาลังพอกาลังในตัวมีกาลังของปัญญาพอไม่มีทางที่ขึ้นได้อย่างนี้ไม่มีทางที่เป็นไปพฤกรรถอนปล่อยวาง แค่พื้นฐานอย่างนี้เราจะไม่เข้าใจอย่างวางไม่ได้คือทําใจตัวเองไม่ได้นี่คือ อ, อุปาทานเพราะนั้นกําลังต้งสมอย่างนั่นคือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญปุจจารถึงบอกว่าวนี่คือแนวทางปฏิปทาหนทางถน น, นที่เราจะต้องเดินเดินเดินเดินไปข้างหน้าอย่าออกนอกลู่นอกทางหมายคือว่ากรอบความคิดขับพูดการกระทำํำ ต้องอยู่ในกรอบนี้ต้องอยู่ในเส้นทางนี้และเป้าหมายชัดเจนที่สุดคือในพานะคือดับเป้าหมายของพวกเราเดินไปเนี่ยคือต้องดับไม่ใช่เพื่อเกิดเพราะฉะนั้นอย่าไปตำราธนาเจี๊ยี่เกิดอีกเพราะฉะนั้นคือการเกิดไม่ใช่การดับเป้าหมายของเราคืออย่างนี้คือเปรียบเทียบไปฟังโดยสมวนตัวถ้าเรายิงปืนมันก็ต้องมีเป้าหมายมก็มีวงกลม แต่ถ้าเรายิงไปสเปซ ส, สปะโดนอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่มีปัตหมายชีวิตไม่มีเป้าหมายเป็นอย่างนั้นเหมือนกับผู้คนทั่วไปว่าเกิดมาทำไมไม่รู้ชีวิตคืออะไรไม่รู้ชีวิตจะอยู่ยังไงไม่รู้ชีวิตที่ดีควรเป็นยังไงไม่รู้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในโลกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตและมีวิญญาณแต่ไม่มีการเรียนรู้ อันตรายนะเรามีโอกาสมีทั้งชีวิตมีทั้งมีญญาณมีการเรียนรู้คนอื่นเขามีชีวิตมีวิญานในกันแต่เรียนรู้ไม่ได้ช้างมา้าโกคอยเรียนรู้เราได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเขามีชีวิตมีวิญานเหมือนเรานะ่ะกินอยู่เสพการเหมือนเราหมดแต่ทําอย่างเราไม่ได้คิดอย่างเราไม่ได้แต่เราเนี่ยมีพร้อมแต่ไม่ต่อเองไม่ต่อไปขนาดคือไม่เดินคือไม่ดําเนินคือไม่ไม่ ไม่อาปติประทาของพุทธเจ้าก็าไหนว่าพูดทางสสางก็จจามิก็จะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพึ่งตรงไหนเขาคิดก็พึ่งไม่ได้เขาพูดก็พึ่งบุรการกระทาก็พึ่งไม่ไ ด, ด, ไได้แล้วจะพูดทางทาไปทําไมพูดทางตั้งปีตั้งชาติทำมังสนงะนังก็จจามิกับพระธเจ้าเขาเอามีทำเอาทำตรงไหนธรรมะคืออะไรสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นของเราเป็นอย่างไรยังไม่รู้เลยแล้วมันจะพึ่งอะไรสังขารสังกจ็จะมี น, นี่คือ สมาธิผสมคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องเน้นว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนนะคือปฏิบัติก่อนแล้วถึงชี้แนะแจงสแสดงว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าคนที่สอนขับรถได้มันต้องขับรถเป็นไม่ใช่รู้อยู่เดียวว่าอันนี้คือเบรคนะอันนี้กุญแจสตาร์ทอันนั้นอันนี้ตัวคันเร่งนะสอนแค่นี้ใครก็ดอดได้ใครก็สอนได้แต่คนที่จะสอนได้มันต้องขับเป็น มาขับรถเป็นคือต้องปฏิบัติได้ก่อนแล้วสอ น, อ, นอันนี้คือสังขั ง, างกาลังพระจารนี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้นะชีวิตควรเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพกเราคือท่านเป็นแล้วท่านเดินได้แล้วท่านขับได้แล้วจึงมาสอนพวกเราเพราะเราถือว่โชคดีมากอกเรียนทางลัทธ์กัอนอย่างไรฟังและเข้าใจ เกิดการเรียนรู้เห็นเข้าใจก็คื อ, ค อ, คอปัญญาทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือแนวทางหรือว่าปฏิปทาในการวนชีวิตของพู้เราถ้าเรามายึดทางนี้เป็นการวนชีวิตก็คือเข้าป่าเข้าป่าปแปลวอะไรหลงคือโมหะเข้าป่าป่าอะไรคือป่าอะไรป่าคืออะไรป่าคือการมาพบดูบ่พบรู้บ่พบที่ยิ่งใหญ่มากๆเข้าไปแล้วหลงหาทางออกไม่ได้ แปลว่าจิตทั้งแม่คล้องอยู่ในในภพนี้คือรูปภพนิกรรมาภพคือบริโภวการมอยู่จิตดวงนี้มันก็กลับมาที่การมพาภพคือเขาปลาจิตดวงนี้ทั้งหมดเขาติรูปวัตภพคือจิตจิตมันละเอียดทิ้หนึ่งอยู่ในองค์ของชานมันก็ไปที่องค์ของชานกายหยาบมันไม่อยู่มันใช้ไม่ได้มันก็ใช้กายละเอียดแต่มันก็ยังติดอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าติดติดอยู่ในรูปแล้อารูปก็คืออยู่ในความว่างว่าเปล่าเฉยอารมณ์าน หมายถึงมองออรูปฌานจิตละเอียดเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีกีเลอะไรเลยแต่มันก็จรงติดในรูปละเอียดเคยเล่าให้เราฟังสือวหลวงปู่เทศติดอยู่ตัวนี้เป็นสิบปีทําไม่มีหลวงปู่มันเนี่ยไม่ตามคนเพราะเขา้าใจตัวเองไม่มีอะไรแล้วเห็นไหยอันนี้คืออันิสงสของคนที่มีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งว่าทําไมเราต้องพึ่งครูบาอาจารย์ทำไมเราต้องพึ่งคนที่ขับรถได้ก่อน ไม่ใช่ใครก็สอนกันได้สอนกับรถมันไม่ใช่นี่ขนาดเราบูดเทศนะถ้ามีหลวงปู่มั่นนี่ป่านนี้ท่านนั้นจึงไม่แปลว่าทําไมครู อ, อาจารย์หลวงปู่มัน่นท่านอยู่เชียงใหม่ทําไมเดินจากภาคอีสานมาเชียงใหม่เพื่อมาฟังเทศเพื่อมาแก้กุศโลบายเพื่อหาอะไรแบบอย่างนี้อย่างนี้นะบอกไมห่หยุดคำอุบ ม, มาอุบไ ม, ม่เปรียบมันหลุดทันทีว่าโอ้ท่านยึนหนึ่งกระเปาท่านยังไปเกาะตัวนั้นอยู่ ตัวตุกอมไม่มีนั่นแหละความว่างแล้ว ถ, ถ้าปล่อยตัวนั้นก็คือจบเห็นยแม่ครูอาจารย์สําคัญนะเพราะฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนอย่าประมาทในในวัยเท่าที่มีอยู่ด้วยสติปัญญาเถ้ามีอยู่มันเพียงพอที่จะปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ได้อย่าไปคิดโอสติปัญญาเราน้อยเรามีเราก็คิดเอานี้เราโดยไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ได้นี่นกักพราะฉะนั้นเราถือเราโชคดีที่เจอครูอาจารย์มาเยอะ ได้ยินไดฟังมาเยอะนับวัดฟังทาจําส้นสอนอะนี่คือมาถูกทางแล้วนะหรืออย่างเดียวคือไปต่อกเลยทําะไรที่ไปเร็วไปช้าอยู่ที่ขับล้วเข้าเกียร์อะไรอยู่ตัวนี้ถ้าไปเกียร์ย ว, ว่างอะอืมมันก็จะว่างงเ้ยแหละเราไปไหนมันเกียร์ว่างแต่ถ้าเกียร์ถอยหลังหนักก็่กอีกนึงเข้าเกียร์เหมือนกันแต่เกียร์ถอยหลัง ถ, ถอยห ล, ถหลังคืออะไรไปอยู่กับบดี มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเส้นทางนี้เราผ่านไปแล้วกลับไปยังถอยหลังว่าอดีตอยู่เรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่อง เ, เองมื่อวันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเรื่เกี่ยวกัถอยหลังให้อยู่กับปัจจุบันเรียกวปัจจุบันธรรมเวลานี้เดี๋ยวนี้ขนานี้จิตของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์แล้วก็ให้เข้าใจว่าสุขก็คือสุขทุกข์ทุกข์ไม่เกี่ยวอะไรกับจิตเราเลยจิตก็คือจิตใจก็คือใจมันคนละเรื่องกัน เหมือนเรานั่งอย่างตอนนี้คนอื่นคือคอื่นเราคือเราแต่เราอยู่ด้วยกันได้แต่่ออยู่แล้วเกิดชอบไปชอบกันมาเป็นเรื่องหนึ่งนะนั่งด้ยวยกันเกิดไม่ชอบกคนนั้นเกิดชอบันนี้นั่นเห็นไหมแต่ท้านจริงจริงมันไม่เกี่ยวกันเลยคนอื่นไม่เกี่ยวกันเลยถ้าเราปฏิบัติดได้จริงๆริแล้วเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยสภาวะอย่างนี้หมายถึงจิตหมายถึงใจเราจะเข้าใจโอ้ใจ จ, อใจจริงๆมันเป็นอย่างนี้สภาที่ตจริงๆมันเป็นอย่างนี้แต่ทุกวันเราจะไม่เข้าใจเพราะว่า สภาวะอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับเราสภาวะอย่างนี้จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่แค่ดตัวเองปรุงตัวเองแต่งตัาเองนี่เป็นอย่างนั้นเองไม่เกิดเพราะฉะนั้นอดทนขามานิยังหรืออดทนเท่านั้นที่อยู่สิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นคํากล่าวข้างต้นคือสารเรยงันต์เจตุจักกันทวัตะวารางังขมณนิยังอาวุโส พวกเราทนได้ไหมอยู่ได้ไหมเข้าใจสิ่งอันนี้ไหมว่ามันไหลเข้าอะไรออกมันไหลเข้าแล้วมันต้องไหลออกอยู่อย่างนี้ตราดเวลาเพราะมันมีประตูมีชเหมือนสาะของเราตรงนี้เข้าทางนั้นถ้าปิดประตูปิดตาปิดสลามันเข้าไม่ได้ออกไม่ได้เหมือนกันทวารที่เรามีอยู่เนี่ยเหมือนกันเราก็มันเข้ามันออกเข้าอยู่เฉพาะอย่างนี้คือปากเข้าวันหนึ่งสองสามเวลาเข้าเสร็จแล้วมันก็ต้องออกออกเข้าทางปากออกทาง ทาเบาทางหนักหรืตะวันเบาตะวัหนักเห็นไหมมันไหลเข้าแล้วมันออกแต่ว่าพอถึงเวลามันออกเรามองไม่เห็นตอนเป็นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเออนี่คืออึนะอนี้คือฉี่นะนั่นแหละคือการออกเรียกว่าเอาทุกออกตอนเข้ามันมันสุขสุขะเข้าตามประแต่วเวลาทุกเราไม่รู้จักนึกไม่ออกปกปิดกองน้ําเสร็จก็ไปครั้งตัวเองก็รู้เออนี่มันทุกมัหนักเหม็น เขียวก็อย่างนึกไม่ออกพูุนี้ก็ป้อนเข้ามาอีกคือป้อนเก่านั่นแห ล, ละจะออกไปอย่า ง, างนี้ตลอดเวลาเห็นไหมสุบทุกขเราเจอทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เจอประเด็นคือเจอแล้วไม่เกิดปัญญานี่รืงใหญ่เลยนะเรื่องสุขัดปัจจะบันก็ขอรอสลายบนชีวิตอยู่ด้วยความมีสติแลวก็ปัญญาภาวนาความเพียร นิพานหรือว่าการดับเราก็จะค่อยเห็นแสงสว่างก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป้าหมายก็จะใกล้ขึ้นตอนนี้มันยังไม่ใกล้แต่ว่าการถ้าเราเดินประจําเป้าหมายมันก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ถ้าไม่เดินเลยคือไม่ปฏิบัติเลยในตจะฐานเดียวเมื่อไหร่เราจะถึงเป้าหมายก็ได้แต่ฝันอันนี้คือสาระธรรมสำหรับพวกเราครับคืนวันนี้หวังว่าเรา ฝั่งแรก ค, คือโอปันัจโกคือน้อมลาตัวเองว่าอมเป็นประโยชน์เป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงต่อพวกเราจริงๆถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติจริงได้จริงปฏิบัติเยอะๆเยอะๆมากก็ได้เยอะๆเยอะๆก็ตามที่เราสมควรแก่ฐานรูปเร้่องธรรมานุธรมะปฏิปติก็ขอให้เราปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมคนปฏิบัติธรรมทำยอ่ ajo, ำ ہیں, ำยอมรักษาผู้นั้นทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ก็ขอพระองค์ด้เนี่ยขอสุขคนจเจริญทั้งต่างโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด